วันนี้เรามาเนี่ยใต้ต้นสีมาหาโพลเลยนะเป็นที่ตัสรู้พระพุทธเจ้าเลยนะเพื่อเราจะบรรลุตามเนี่ยอย่างน้อยก็เอาเอาใกล้สถานที่ไว้ก่อนอาศัยสถานที่ตัสรู้ของพระพุทธเจ้าอาศัยปูบาอาจารย์เป็นประจักษ์เป็นพยานมันก็ทําให้การกระทําของเราเนี่ยมันมีพลังมันมีอนุภาพแล้วก็แผ่เมตตาจิต ด, ด้วย แห่เมตตาจิตตั้งความปรารถนาดีต้องการให้ทุกชีวิตปิญญาณมีความสุขนึกถึงเราเกิดมาแล้วมันก็มีความทุกข์เวลาทุกข์มันเป็นยังไงเราก็เข้าใจมันบีบคั้นมันทรมานมันเจ็บปวดมันเสียดมันแทงมันทิบมันต่ำมันเศร้ามันหมองมันขุ่นมันไม่สบายมันรุ่มมันร้อนทุกสิ่งทุกอย่างประเดปดังเข้ามาเราขนาดเราก็ยังไม่อยากมีทุกข์ มอก็เห็นอกเห็นใจสัตว์อื่นคนอื่นล้างออกไปให้หมดเนี่ยใครจะดีใครจะเลว อ, อันนั้นก็เป็นส่วนวิบากของเขาการที่มีอะไรต่ออะไรกันบ้างอย่างนี้แหละคือวิบากนั่นแหละคือผลของกรรมในฝ่ายที่มันไม่ดีมันให้ผลในปัจจุบันนี้เราอย่าไปโทษว่าเออเพราะคนนั้นทําคนนี้ทําโทษว่ากรรมของเราเองการกระทําของเราเองที่เราเคยทําเอาไว้ มันจึงเป็นวิบาก ค, คือผลของกรรมในปัจจุบันนี้อะไรก็ตามมันผ่านเข้ามาถ้ากรรมดีมาให้ผลเราก็ดีเนี่ยเราก็สุขเราก็สบายมันไม่ใช่ว่าเกิดจากชาตินี้อย่างเดียวนะต้องมองให้กว้างเลยนะมองให้ครอบคุมเลยอาศัยขายพยานของพระพุทธเจ้าท่านสอนพวกเราเอาไว้แล้วทำให้เราเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นมาว่าโอ้กรรม พอที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นวิบากคือให้ผลในปัจจุบันถ้าตาบใดที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ถ้ากรรมไม่ดีมันให้ผลน่ะมันก็ต้องเกิดถึงไม่ดีเกิดความทุกข์เกิดความทรมานเกิดปัญหาขึ้นในชีวิตของเรานั่นอันนั้นเราต้องยอมรับทำใจให้ยอมรับกรรมอันนี้เราเคยทำจริงแต่สำคัญตรงกรรมจากนี้ไปจากนี้ไปจากนี้ไป จากนี้ไปกรรมไม่ดีจะไม่ทําอีกแล้วจะไม่ทําอีกแล้วพะทําแล้วมันให้ผลจริงมันเป็นวิบา ค, คือผลของกรรมที่ให้ผลในขณะนี้หละในขณะที่เราเวียนเกิดเวียนตายนี่ครานี้เราก็จะได้ตาบซึ้งในคำสอนของพระพุทธเจ้าองค์สอนให้ทําดีที่นี่สัพปปาปัสสะาการะนังไม่ทําบาปทั้งปวงไม่ทาความชั่วทั้งปวง กุศลสู้ปะส้ำบดดาทำกุศลให้ถึงพร้อมคือทำความดีมีมากมีน้อยทำลงไปมันดีทำแล้วในใจเราก็จะดีเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันมีคุณค่าชีวิตของเรามีความชื่นชมในตัวเองมีการยอมรับตัวเองถ้าเราทำไม่ดีมองดูตัวเองเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมันตําหนิตัวเองนะมันเศร้าหมองเลยนะมันก็จิตใจเราก็ไม่สงบอะ แต่ถ้าเรามองดูตัวเองแล้วเออจิตใจเราเนี่ยมั น, นมันพอใจตัวเองว่าเราพยายามฝึกหัดพยายามขัดเกลาพยายามที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าคนเราก็จะมีกําลังใจขึ้นมาอันนี้มันเป็นเครื่องอยู่ชนิดหนึ่งของจิตเราถ้าใครมีเป้าหมายที่จะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีแล้วพยายามทําความดีให้มากขึ้นอันนี้มันเป็นเครื่องอยู่ชนิดหนึ่ง พยายามแก้ไขตัวเองขัดเกลาตัวเองแล้วส่วนอันที่สูงที่สุดก็คือมีสติรักษาจิตเพื่อชําระจิตให้ขาวรอบคําว่าชําระจิตให้ข่ารอบนี่หมายถึงพ่อลหันหมายถึงผู้ที่หมดสิ้นกิเลสแล้วผู้ซึ่งไม่มีอะไรค้างคาอยู่ในจิตใจแล้วจิตใจสะอาดจิตใจบริสุทธิ์หมดจดแล้วจึงเรียกว่าขาวรอบเพราะฉะนั้นการที่จะชาระจิตให้ขาวรอบมันจึงมีพื้นฐานมาจากไม่ทําสิ่งที่ไม่ดี แล้วก็ทําสิ่งที่ดีให้มากขึ้นอะไรผิดพลาดบกพร่องก็พยายามเอามาเป็นบทเรียนเอามาพัฒนาตัวเองมาแก้ไขตัวเองแล้วชีวิตของเราเนี่ยมันถึงจะมีค่าแล้วมันจเจริญขึ้นโดยเฉพาะเราพยายามมีสติเราพยายามมีสติอันนี้มันเป็นคำสอนของพระพุทธเจา้าพระองค์ยังรู้สิ่งเหล่านี้ก็ด้วยการมาตัสรุธนี้นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราลําลึกถึงพระคุณของพระองค์ ที่ได้ประทานคำสอนเอาไว้ให้แกพวกเราทั้งหลายด้วยการบูชาคุณที่สูงที่สุดนั่นคือเอาจิตเรากลับเข้ามากลับเข้ามาการบูชาคุณการตอบแทนคุณที่สูงสุดก็คือการสามารถมีสติเอาจิตเรากลับเข้ามาแล้วให้จิตเราสงบระงับเข้ามายิ่งใครสามารถสลัดไอ้สิ่งสกรปรกโลกลงลังสิ่งข้าวม้อขุณม อ, ออกไปได้นั่นก็สุดยอดแล้วยิ่งใครสามารถดับดับ ดับในจิตดับในจิตคือไม่มีอะไรค้างคาหลงเหลืออยู่แม้แต่ตัวตนแม้ตัวตัวเราก็ไม่มีอันนี้สุดยอดแห่งการบูชาเป็นสิ่งประเสริฐสูงสุดในโลกธาตุทั้งหลายในธรรมชาติทั้งหลายไม่ว่าโลกนี้โลกหน้าเจ้าจะเห็นว่าสิ่งที่มันดับได้ในจิตของแต่ละคนมันมีอยู่จริงดับสิ่งที่จะเป็นทุกข์ดับหมดสิ่งสกรปรกลบลุงลังดับหมด ไม่มีตัวไม่มีตนเว้งวางว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยนอกจากธรรมชาติถ้าใครเข้าถึงตรงนี้ได้นั้นสุดยอดของการบูชาเพราะอะไรเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่พระองค์ทรงเข้าถึงสิ่งนี้แล้วคําสอนของพระองค์ก็พยายามที่จะให้เข้าถึงจุดหมายปลายทางเพราะสิ่งนี้มันเป็นสิ่งประเสริฐสุดเป็นบุล ม, มสุขเป็นสิ่งที่ไม่มีทุกข์อีกต่อไปถ้าใครเข้าถึงได้มันจะมีความรู้สึกเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์เป็นสิ่งยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดมันก็จะมองเห็นว่าโอ้คนเราเนี่ยเพราะอำนาจความหลงนี่มันจะหลงไปเอานูน่นเอา น, น, นี่นั่นๆนี่ น, น, นมากมายในโลกแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายที่ท่านหมดจดสึ้นเชิงแล้วเนี่ยท่านมองไม่เห็นอะไรเลยที่จะมีคุณค่าเท่ากับการที่สามารถทำให้จิตของตัวเองเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจด สามารถทำให้จิตของตัวเองเนี่สงบระงับอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามาจิตของท่านเหล่านั้นจะต้องสงบสว่างเจริจ้าราบเรียบสนิทไม่มีคำว่ายินดียินร้ายกับอะไรเพราะนั้นการมองโลกมันจึงต่างไปจากคนทั่วไปเพราะนั้นในสายตาของพระพุทธเจ้าหรือพระละหันทั้งหลายเนี่ยท่านจึงมองเห็นแล้วว่าโอ้คนในโลกเรานี้หลงหลือเกินหลงมากหรือเกิน หลงแล้วก็ไม่รู้ว่าหลงด้วยจึงคอยคว้าเที่ยวแสวงหาอันุน้อันนี้เข้ามาในชีวิตตัวเองการที่คอยคว้าสิ่งเหล่านั้นลึกๆก็คือต้องการความสุขต้องการความสุขอยากได้นั่นได้นี่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาทําให้ตัวเองมีความสุขเพราะหลงตัวเองเพราะรักตัวเองเพราะตัณหามันบอกให้ทําเพื่อตัวเองนี่แหละนี่แหละต้นตอของมันเหตุที่นํามาซึ่งปัญหาทั้งหลายเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายเอาแล้วไม่เอาอะไรเลยเหรอ <mister ius> เ, เรายังมีชีวิตอยู่เราต้องมีข้าวปลาอาหารมีเสื้อผ้าแพ้พันมีเครื่องใช้ไม้สอยมีเครื่องอำนวยความสะดวกได้ก็ยิ่งดีแต่เราไม่ยึดติดไม่ติดข้องใดไหมเราเอามาเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้แล้วคุณค่าของชีวิตอยู่ที่ไหนนี่แหละอยู่ที่เราจะสามารถทําให้ชีวิตของเราเนี่ยหายโง่หายหลงทาให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเข้าใจแก่นแท้ของชีวิตว่าชีวิตของเราที่เกิดมาเนี่ยมันต้องการอะไร เกิดแล้วตายเกิดแล้วตายอยู่อย่างนี้แค่นั้นเหรอมีแค่นี้หรือชีวิตเกิดเพื่อตายเหรอก่อนจะตายก็ทุกข์ลาบากดิ้นรนไขว่คว้าโน่นนี่นั่นนั่นยุ่งเหยิงวุ่นวายกันสับสนกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปเหรอมันมีทางออกที่ดีกว่านี้ไหมนี่ล่ะพระพุทธเจ้าท่านมีคําตอบให้ก็คือต้องมาปฏิบัติจิตของเราปฏิบัติที่อื่นก็อย่างนั้นแหละเพราะว่าอะไรอะ ทำบุญสุนทานทำมากขนาดไหนมันก็ไม่ทําให้พ้นทุกเพียงแต่ว่ามันช่วยสนับสนุนให้การเวียนว่ายตายเกิดของเราภพชาติของเรามันสุขสบายนี่วู้จ้าก็ตัดเอาไว้อันนี้มันจึงเจือด้วยสาสวะหมายว่ามันยังมีอาสวะอยู่มันทําให้เกิดการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แต่เกิดมาแล้วดีขึ้นเรื่อยๆเอออย่างนี้ก็จัดว่าก็ดีขึ้นแต่ถ้าเราเข้าใจวันเนชีวิตดีขึ้นแล้วคุณภาพจิตเราดีขึ้นแล้ว ตองมาพัฒนาจิตตัวเองให้มันพ้นไปจากอุปทานทั้งหลายพ้นจากความลุ่มหลงยึดติดข้องทั้งปวงสามารถชําระจิตของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้สงบให้ระ ง, งับได้อย่างเรามาที่นี่เนี่ยถ้าเราละลึกถึงพระพุทธเจ้าขึ้นมาเนี่ยพระองค์ตรัสรู้ที่นี่ในเมื่อไม่มีตัวเราไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเข้ามากํากไกลทําให้มันเกิดเป็นอัตตาเป็นตัวตนขึ้นมาจิตพระองค์พระไทยขององค์ต้องสงบราบเรียบ สงบราบเรียบนี่แหละเรามาที่นี่ก็เพื่อที่อาศัยสถานที่ที่พระองค์เข้าถึงความจริงสัจธรรมครั้งแรกก็คือพระไทยของพระองค์สงบราบเรียบถึงที่สุดหมดจดสะอาดบริสุทธิ์สิ้นเชิงไม่มีอะไรเลยที่จะมากั้มกลายให้พระไทยของพระองค์เป็นทุกข์ได้อีกต่อไปตรงนี้บริเวณนี้ที่เรานั่งอยู่ในวันนี้เพราะนั้นเรามาถึงนี่เราจึงบูชาพระพุทธเจ้าด้วยใจของเราเอง ในเมื่อพระไทยของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์หมดจดแล้วสงบระ ง, งับถึงที่สุดแล้วเราก็ทำใจเราให้สงบเลยไม่ต้องให้จิตของเราไปยุ่งกับอะไรแล้วเพราะเรามาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วรวมจิตเราเข้ามาเลยเอาจิตเรากลับเข้ามาเลยนี่หละคุณของเยาวอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงที่จิตของเรานี่แหละที่มันสงบเข้าไปเมื่อมันสงบแล้วมันก็บริสุทธิ์ขึ้นมาระดับหนึ่งเราพูดได้ว่ามันสะอาดขึ้น มันบริสุทธิ์ขึ้นเพราะอารมณ์ทั้งหลายสิ่งเศร้าหมองขุนมัวทั้งหลายที่มันจะทำให้เรามีความทุกข์มันดับไปสิ่งที่มันจะมาปรุงแต่งจิตเราให้จิตเราเศร้าหมองขุนมัวทำให้ระบาบุ่นทำให้เดือดร้อนทำให้สับสนบกวนมันดับไปเพราะเราอาศัยสถานที่แล้วก็ระลึกถึงความจริงในพระทัยของพระพุทธเจ้าเรามีศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเรา ในเมื่อพระไทยของพระองค์สะอาดบริสุทธิ์แล้วเราเป็นสาวกเราก็ทําตามได้น้อมจิตของเราปรุงแต่งจิตเราขึ้นมาได้สามารถระลึกถึงคุณของพระองค์แล้วก็ทําจิตของเราคอยตามไปได้น้อมตามไปได้มันก็สงบขึ้นมาเรื่องอะไรเราก็ไม่เอาแล้วเพราะว่ากว่าที่เราจะเดินทางมาถึงตรงนี้ได้เราก็ต้องใช้เวลาแค่มาถึงประตูนี้เราก็ต้องใช้เวลารอคอย พราอะไรพราความเพียรพวกความพยายามพวกความอดทนพวกความมุ่งมั่นบากบั่นในจิตใจของเราแล้วเราก็ได้มานั่งก็คือสถานที่ที่พระเจ้าตรัสรู้นั่นเองเนี่ยคุณของพระพุทธเจ้าก็อยู่ตรงที่จิตของเรานี่เองว่าสงบไหมเพราะว่าพราะพุทธเจ้านี่พระทยัยขององค์สะอาดบริสุทธิ์สงบเยือกเย็นถึงที่สุดเลยเราก็ปรับจิตเราได้เนี่ยเนี่ยหลักคุณของพระเจ้าอยู่ตรงนี้เพอจิตของเรามันกลับเข้ามาอยู่กับตัวเราได้อารมณ์อื่นมันจะดับไปเองเราก็มาจดจ่ออยู่ข้างในนี่ หรือว่าเราอยู่กับเสียงธรรมะอย่างนี้จิตของเรามันก็หมุนตามไปได้เพราะว่ามันเป็นความจริงเราเอาความจริงมาประกาศเอามาเปิดเผยสู่กันฟังเมื่อจิตของเรามันกลับเข้ามาแล้วเนี่ยสติสติคือความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวอย่างเรามีสติในการฟังอันนี้ก็เป็นสติในการฟังเมื่อจิตของเรามันฟังอยู่จิตของเราก็อยู่กับตัวเราได้ก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งเป็นระดับของสมถะ หรือบางคนเนี่ยอยู่กับจิตเลยอยู่กับจิตเลยอยู่ข้างในเลยส่วนเสียงจะมากระทบก็กระทบเองอันนี้เป็นการฟังแบบจิตตภาวนาก็แสดงว่าสมาธิมันลึกซึ้งเข้ามาแล้วมันเข้ามาอยู่ข้างในได้แล้วส่วนจิตที่ยังสมาธิยังไม่ลึกซึ้งก็คือมีสติในการฟังเมื่อสติในการฟังจิตมันก็ฟังอยู่เมื่อจิตฟังอยู่จิตก็เข้ามาอยู่กับตัวเราก็ได้สมาธิระดับหนึ่งนี่ก็จัดเป็นสมถะเหมือนกัน มันก็จะมีความลึกซึ้งแตกต่างกันอีกอันหนึ่งจิตเข้ามาข้างในแล้วอยู่กับจิตแล้วอยู่กับความนิ่งแล้วอยู่กับว่างจากอารมณ์ทั้งหลายแล้วเสียงมาสัมผัสก็ฟังเองอยู่ข้างในไม่ได้ส่งกระแสะออกไปฟังแต่ว่าจิตมันอยู่กับฐานจิตอยู่ข้างในจิตก็ฟังเมื่อฟังแล้วอันไหนมันถูกตรงกับความรู้สึกของเราจิตก็จะเบิกบานขึ้นมาจตก็จะตื่นรู้ขึ้นมา มีอันนี้มันเป็นการลัดสั้นอย่างหนึ่งเหมือนในสมัยพระพุทธเจ้าเวลาพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยมันก็มีคุณต่อจิตใจของสาวกของพระองค์มันก็มีประโยชน์ต่อจิตใจเพราะว่ากระแสะของธรรมเนี่ยมันทําให้จิตของเราเบิกบานจิตของเราอิ่มเอิบจิตของเราสงบจิตของเราเยือกเย็นแล้วยิ่งเราอาศัยสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสถานที่ตัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่มันก็สุดยอดแล้ว ไม่มีที่ไหนแล้วที่จะประเสริฐถ้าเป็นสถานที่ก็ที่นี่แหละเพราะว่าธรรมะทั้งหลายที่พระองค์เอามาอบรมสั่งสอนเราก็มาตัดสรุปที่นี่มารู้ที่นี่มาเกิดขึ้นที่นี่แล้วพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยก็ต้องมาตัดสรุปที่นี่นี่คือความอัศจรรย์อันหนึ่งที่มีอยู่ในธรรมชาตินี้เพราะฉะนั้นเรามาที่นี่ก็เลยมายังสถานที่ตัดสรุปของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นี่ถ้าไม่มีบุญบารมีมาไม่ถึง ไม่ได้มาอันนี้เป็นเพราะว่าบุญบารมีที่เราเคยทำเอาไว้แล้วคราวนี้เราก็ยิ่งมาเพิ่มพูณบุญบารมีใหม่บุญเก่าบุญใหม่รวมกันเข้ามานี่มันถึงจะเจริญขึ้นได้แล้วเราก็อาศัยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าประกาศกับตัวเราเองว่าต่อไปนี้ไม่เอาแล้วสิ่งไม่ดีไม่ถูกต้องเพราะทำแล้วมันเศร้าหมองทาแล้วมันบั่นทอนจิตของเราเองเราจะทาสิ่งที่ดีที่งาม สิ่งที่มีคุณค่าต่อตอนเองต่อคนอื่นแล้วโดยเฉพาะภายในของเราต้องรักษาจิตเอาไว้รักษาจิตของเราแล้วก็เอาจิตของเราเข้ามาอยู่ข้างในคือถ้าจิตมันตื่นรู้ขึ้นมามันจะรู้ตัวเองมันจะมาสังเกตสภาวะที่เกิดขึ้นกับใจเราใจของเราพอมันอยู่ข้างในแล้วมันก็มารู้อยู่ที่กายมารู้อยู่ที่จิตมันไม่ไปรู้อย่างอื่นมันเข้ามาในนี้ทีนี้ ไอ้ไอ้ความรู้ที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่ความคิดเพราะว่าจิตเราสัมผัสได้เองด้วยจิตรับรู้ด้วยจิตเมื่อสัมผัสด้วยจิตรับรู้ด้วยจิตมันเลยเหมือนจิตเห็นบางทีมันก็เห็นเป็นมโนภาพก็ได้ด้วยหรือบางทีก็แค่รู้สึกว่ามันเกิดแล้วมันดับมันผ่านมาแล้วมันผ่านไปเวลาจิตของเรามันอยู่ข้างในเนี่ยอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันสักแต่ว่า แต่ว่าปรากฏการมันเป็นแค่ปรากฏการจิตของเราแค่รับรู้แค่รับรู้อันนี้มันต้องอาศัยจิตที่ตั้งมันเมื่อจิตตั้งมันแล้วมันจะคลายออกจากความรู้สึกเป็นตัวเราเป็นของเราได้นี่ทางของพุทธเจ้านี่จึงต้องอาศัยสติรักษาจิตให้เป็นสมาธิเพราะนั้นเราจึงจำเป็นการดำเนินชีวิตนี่มันจึงต้องถูกต้องด้วย บางคนก็มาคิดถึงแต่ว่านั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วจะเอาแต่สมาธิอย่างนั้นแต่ว่าเวลาดําเนินชีวิตอะ่ะมันไปทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันก็บันทอนเนี่ยมันก็จิตเราไม่สามารถลึกซึ้งเข้าไปได้คือจิตเนี่ยมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งอเวลามันเข้าไปเวลามันสงบเข้าไปเนี่ยไอ้สิ่งที่เราเคยทำเอาไว้มันจะผุดขึ้นมานี่ระกรรมมันให้ผลมันให้ผลอย่างนี้นะ เวลาจิตของเรามันเริ่มสงบเนี่ยไอกรรมที่เราเคยทำมันจะผุดขึ้นมาโดยเฉพาะกรรมไม่ดีมันจะผุดก่อนมันจะโผล่พุบขึ้นมามันก็จะบันทอนจิตของเราเพราะนั้นเราต้องอาศัยความเข้มแข็งของจิตตั้งใจเอาไว้ว่าเออเรายอมรับถ้ามันเป็นกรรมของเราที่เราเคยทำมาเพราะแต่ก่อนเราไม่รู้เพราะเรามีความหลงเรามีอวิชชาเราจึงมีตัวตนเมื่อมีตัวตนมันก็ปกป้องตัวตน รักษาตัวตนเราก็หลงไปคิดว่าทําเพื่อตัวเราแล้วมันจะทําให้เรามีความสุขจะทําให้ดีเสียงก็เป็นธรรมชาติของที่นี่เหมือนกันหน้าที่ของเราจึงต้องรักษาจิตตลอดเลยเพราะการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยมันต้องมีเป้าหมายชัดเจนเราต้องพยายามรักษาจิตเราให้ได้แล้วจริงๆเราต้องการความสุขความสุขก็อยู่ที่จิตความทุกข์ก็อยู่ที่จิตถ้าใครรักษาจิตได้อะไรเกิดขึ้น เราไม่เอาเข้ามาลบกวนจิตตัวเองเราไม่เอามาบัณอรจิตเราเองจิตของเรามันก็มีความสงบอยู่ภายในพอมันสงบแล้วสติรักษาจิตนานขึ้นมันก็เป็นสมาธิสมาธิถือความแน่วแน่ของจิตส่วนสติเนี่ยมันทำให้จิตตื่นเพอมันรู้สึกตัวตลอดรู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตก็จะตื่นตัวตื่นตัว พอสติมันตื่นตัวขึ้นมาทำให้จิตตื่นแล้วเนี่ยจิตก็ไม่ไปไหนจิตก็แน่วแน่อยู่ภายในเมื่อจิตนิ่แน่วแน่อยู่ภายในเนี่ยศักยภาพของจิตมันก็มากขึ้นความรู้ความเห็นของมันก็จะกว้างขวางออกไปทีนี้อะไรเกิดขึ้นมันก็จะเห็นแล้วมันก็เกิดแล้วก็ดับไปผ่านมาผ่านไปไอการที่มันเห็นความจริงอันเนี้ยมันทำให้เกิดปัญญาเกิดเป็นญาณขึ้นมาว่าโอ้เกิดแล้วก็ดับ ไอ้ความยึดมั่นถือมันมันจะคลายออกเองความรุ่มหลงจะคลายออกเรื่อยๆเพราะมันเห็นความจริงแล้วนี่ปัญญาณของพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาที่มันเห็นความจริงเห็นว่าทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรามันจริงต้องอาศาัยจิตที่แน่วแน่จิตที่มีสมาธิสามารถควบคุมจิตให้อยู่กับตัวเองได้เมื่อจิตเรามันอยูย่กับตัวเองได้นานขึ้นนานขึ้นเนี่ย อะไรผ่านมาเนี่ยมันจิตมันจะรับรู้รับรู้แล้วมันจะไม่เอาเข้ามาปรุงแต่งทําให้เป็นทุกข์มันก็เลยเห็นว่าอันนั้นเกิดแล้วอันนั้นก็ดับไปมบนเสียงเนี่ยถ้าแค่ใจเรามันไม่ไปสนใจมันอ่ะมันก็เป็นเสียงไปธรรมชาติของเสียงไปไม่ว่าจะเป็นเสียงดังขนาดไหนก็ตามมันไม่ได้มาลบกวนอะไรเราเสียงนกมันก็ไปแต่เป็นธรรมชาติของมัน เสียงผู้เสียงคนผ่านมาผ่านไปมันก็เป็นธรรมดาไปหมดนั่นมันจริงสําคัญตรงจิตของเรานี่แหละนี่แหละการตัดสรุปของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือจิตรู้ความจริงรู้ความจริงว่ามีไม่มีอะไรเลยที่ควรยึดมั่นถือมั่นคือเราสรุปมาเพื่อให้มันพอดีกับจิตของเราอะ่ะเราจะไม่ไปพูดถึงทฤษฎีอะไรที่มันที่มันยกัยกๆที่มันไม่เข้าใจอะ่ะเราเอาง่ายๆเลยว่าเออ พระพุทเจาตัดสรูปแล้วนี่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่เอาเรื่องเอาราวอะไรเข้ามาทําให้ตัวเองเป็นทุกข์อันนี้มันเป็นทางที่เราจะฝึกตัวเองเดินตามพระพุทธเจ้าไปส่วนผู้ที่มันพ้นแล้วนี่มันไม่ยึดเองอะ่ะมันปล่อยเข้ามันเองมันวางเข้ามันเองแล้มจะรู้ด้วยว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําไม่ใช่ไม่ทําอะไรเลยนะไอคนก็คิดถึงแต่ว่าเอ๊ะไม่ยึดอะไรเลย ไม่ยินดียินไล่อะไรเลยเหมือนจะไม่ทำอะไรเลยอยู่เฉยเฉยไม่ห่วงใยคนอื่นเลยอะไรเป็นประโยชน์ก็จะไม่ทำเลยเหมือนกับยังไม่กินก็ไม่กินเลยอะ่ะเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไปเลยบางคนเนี่ยคิดไปอย่างนั้นไอ้จิตที่มันมีปัญญามันยิ่งมองได้กว้างขวางมองไปข้างหน้ามันเหมือนกับมันมีความรู้ความเข้าใจเกิดขึ้นแต่มันเข้าไปมองมองไปที่ความจริงมันคืออะไรสรรพสิ่งในโลกเรานี่คืออะไรมันหมุนไปยังไง แล้วมันก็จะเข้ามาหาจิตวจิตของคนเรามันมีทุกข์เพราะอะไรก็คือไปหลงเท่านั้นเองเพราะธรรมชาติก็หมุนไปอย่างเรามาที่นี่เสียงนกร้องอย่างนี้มันก็เป็นธรรมชาติด้นหนึง่งเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของที่นี่ไปเสียงสวดมนต์ดังบ้างค่อยบ้างเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาของที่นี่ไปพอทุกคนก็มุ่งมาที่นี่ก็สแสวงหาบุญกุศลสแสวงหาคุณงามความดีสแสวงหาทางออกให้แก่จิตของตัวเอง ทีนี้มันก็อยู่กับระดับจิตของแต่ละคนอะพื้นฐานของแต่ละคนบางคนก็เออเห็นว่ากราบไหว้นี่แหละอธิษฐานจิตรกราบไหวบูชาพระพุทธเจ้าด้วยจิตด้วยใจเอากายเอาใจมากราบอย่างพวกที่เบตเขากลาบเอาตัวกราบทั้งเนื้อทั้งตัวของเขาสุดจิตสุดใจข อ, ข, ของเขาก็เขาก็บูชาถ้าหาว่าใครตรวจมนแล้วรู้สึกว่าเอออันนี้ละบูชาสูงสุดของเขาหรือว่าเอาผ้ามาไปหม่มแย่งกันห่มให้พระพุทธลูก เขาก็เอามาแล้วก็ไปหฮมเขาก็คิดว่านั้นบูชาสูงสุดถือว่าเป็นบุญกุศลมากที่สุดของเขาแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกต้องปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่สูงที่สุดวันนี้เราก็ได้มาปฏิบัติบูชาอันนี้มันก็เป็นส่วนของเราไปเพราะนั้นการปฏิบัติบูชาก็คือจิตของเราเนี่ยมันกลับเข้ามาอยู่กับตัวเองได้แล้วเมื่อกลับเข้ามาอยู่ตัวเองได้แล้วก็เป็นสมาธิ เมื่อเป็นสมาธิแล้วทีนี้เราก็มามองดูตัวเองที่พระเจ้าตรัสรู้นี่ก็คือมองเห็นขันท่ามาทําความเข้าใจขันท่าคือเข้าใจชีวิตของตัวเองนี่แหละเข้าใจว่าเออการเวียนเกิดเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอะไรเป็นแก่นสารสาระเลยอะสัตว์ตั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดกันเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่มันก็ไม่ได้มีอะไระแค่ความหลงภายในจิตเท่านั้นเองที่มันมีตัวมี ต, มตนขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็ต้องมาหาทางออกให้ก่จิตนี้ ก็ต้องทำจิตให้แน่วแน่แล้วต้องมาเห็นมารับรู้ได้ว่าอะไรผ่านมาแล้วต้องผ่านไปต้องอาศัยจิตที่มันแน่วแน่คือมันต้องไปเห็นข้างในลึกๆต้องมีสมาธิด้วยแล้วที่พระ อ, องค์ตัดว่าที่บรรลุนี่เพราะว่าปฏิบัติในทางของอริยมครรคคือยังไงไอ้สัมมาทิฏฐิเนี่ยก็คือการที่จิตมันมองเห็นมันสัมผัสได้ว่าเอออะไรเกิดแล้วก็ดับนะผ่านมาผ่านไปนะเนี่ย นี่คือสมาธิฏฐิคือมันเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรานั่นแหละแต่มันจะค่อยเห็นไปตามลําดับตามลําดับก็คือรู้สึกได้ในจิตเราเหมือนจิตเรามันต้องมีสมาธิไงมันต้องมีฐานมันต้องมีฐานมันจึงมองเห็นว่าเออเกิดแล้วกระดับผ่านมาผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราถ้าจิตไม่เห็นอย่างนี้สัมมาสังกัปปะมันก็อยากสลัดออกอ่ะมันก็อยากหลุดพ้นอ่ะมันอยากเป็นอิสระมันนี้มันเป็นเรื่องของมรรคเลยนะเข้าไปอยู่ในจิตหมดเลยนะ เราไม่ไปพูดตามทฤษฎีว่าโอสัมมาสังกัปปะไม่คิดอยากได้ของคนอื่นไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนไ อ, อย้ยางนั้นน่ะถ้ า, าว่าจิตมันเข้ามาอยู่ข้างในแล้วมันทุกข์ขึ้นมามันเห็นน่ะโอ้ยแค่เราทุกข์เราคิดไม่ดีนิดหนึ่งเนี่ยมันก็ทุกข์แล้วยิ่งเราไปละลึกถึงกรรมไม่ดีของเราคู่คําพูดของเราบ้างการกระทําของเราบ้างมันไม่อยากทําแล้วทีนี้มันเห็นโทษแล้วมันลาออกเลยทีนี้แล้วก็ยิ่งมันมี แค่พยาบาทตึกขึ้นมานิดนึงอย่างเงี้ยไหวตัวนิดหนึ่งมันก็เป็นทุกข์แล้วเนี่ยมันเห็นความทุกข์ภายในจิตแล้วเพราะนั้นมันก็ละไปละไปมันก็ประกาศความเป็นอิสระของจิตขึ้นมาเนี่ยสัมมาสังกปะมันก็อยู่ในองค์มากมันก็อยู่ในจิตเราเลยสัมมาวาจาเนี่ยมันก็เหมือนกันมันสำรวมของมันเองเลยสำรวมอยู่ในจิตเราเนี่ยสัมมากรรมการกระทําของเราไปเบียดเบียนไปอะไรใครต่อใครไม่อยากทำอ่ะการดําเนินชีวิตต้องถูกต้องเอออันนี้สําคัญหน่อยเพราะว่ามันกว้างขวางมาก สมาราชีโวลหมายถึงการดำเนินชีวิตอันนี้จําเป็นต้องถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องแล้วมันจะเข้ามารบกวนจิตเราอีกเหมือนกันมันทําให้จิตเราไม่สามารถจะเข้าถึงความจริงได้เพราะฉะนั้นอันนี้สําคัญมากมันกว้างขวางมากแล้วมันเป็นเหมือนกับธรรมชาติของชีวิตเราเลยอ่ะการดําเนินชีวิตถ้ามันไม่ถูกต้องแล้วมันจะมีอุปสรรคภายในจิตเรามันจะเอาเรื่องเอาเราวมาในจิตของเราแล้วจริงงเราการเดินทางของจิตเรามันไปไม่ได้ เพราะมันกั้นอยู่มันขวางอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งใจเลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรผ่านมาก็ไม่เอาหมดอ่ะทิ้งหมดเลยมันจะเคยเป็นกรรมในอดีตมันให้ผลยังไงมันบีบคั้นยังไงทิ้งหมดเขาหาจิตอย่างเดียวเลยต่อไปนี้เราจะทำแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องนี่ประกาศออกไปอย่างนี้จิตก็มีกําลังขึ้นมามันก็แน่วแน่ขึ้นมาในจิตของเราสัมมาวายโมก็คือ น, นี่แหละก็ปฏิบัติจิตเรานี่แหละเอาจิตเราเข้ามาสติ ควบคุมจิตทีนี้เจวามันมีกําลังใช่หมมันก็ตื่นตื่นแน่วแน่มันเมันเหมือนเป็นอันเดียวกันนะตื่นด้วยแน่วแน่ด้วยเห็นด้วยเห็นมันเกิดเห็นมันดับด้วยเป็นปัญญาขึ้นมาตัวปัญญาเนี่ยมันทำให้จิตของเรานี่มันกว้างขึ้นขยายความรู้สึกกว้างขึ้นมองเห็นว่ามันเกิดดับมันไม่มีอะไรทีนี้พออะไรวับขึ้นมามันก็เกิดดับไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่มันจะขยายความรู้สึกออกไปในธรรมชาติว่ามันไม่มีอะไรเลยมันก็เป็นแค่ธรรมชาติ ธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติที่กําลังดูอยู่ที่กําลังรู้อยู่นั่นมีธรรมชาติภายนอกกับธรรมชาติภายในสัมมาวยามะสัมมาสติสัมมาสมาธิมันก็เข้ามาอยู่ในจิตเราหมดแหละแต่มันเห็นว่ามันเกิดดับมันจะค่อยคลายออกเองคลายออกเองมันจะค่อยปล่อยค่อยวางถ้าเห็นขันห้าว่ามันเกิดดับพระพุทธเจ้าบอกว่ามันจะปล่อยวางเข้ามันเองเหมือนกับเอาขนไก่ถูก ไฟอ่มันจะต้องหดตัวจิตก็เหมือนกันถ้ามันเห็นว่ามันเกิดดับมันจะหดตัวหดตัวเข้ามาอยู่ข้างในแล้วมันจะเป็นอิสระการที่มันเห็นความจริงภายในก็คืออริยสัจสี่นั่นเองเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราก็คือเห็นทุกข์ถ้ามันเห็นทุกข์ชัดเจนแจ่มแจ้งตัณหาคืออยากทําให้เรามีความสุขมันก็ไม่เกิดขึ้นตัณหาก็ดับก็ไม่มีทุกข์อยู่ในจิตมันจึงเรียกว่าอริยมรรคทางดําเนินไปเพื่อดับทุกข์จริง เพรนั้นอริยมรรคก็คืออยู่ในจิตของเรานี้เราเจริญอริยมรรคก็คือมีสตินี่แหละถ้าเรารวบรัดเข้ามาเป็นภาษาที่เราพูดกันง่ายๆเลยสติรักษาจิตไว้เพื่อให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรเลยที่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นที่เข้าไปลุ่มหลงที่ไปเกาะไปเกี่ยวแล้วสิ่งที่พระเจ้าเอามาทบทวนหลังจากตัดสรู้แล้วเนี่ยก็คือว่าพระเจ้าตัดสรู้อะไรก็คือเห็น เห็นว่าความหลงคืออวิชานี่แหละอาวิชาในจิตเนี่ยมันจึงปรุงแต่งมีเจตนาจะเอานู่นเอานี่ทำให้เรามีความสุขนั่นแหละมันมีเจตนามันก็เลยปรุงแต่งขึ้นมาทำดีบ้างทำไม่ดีบ้างมันก็เลยเป็นกรรมขึ้นมาชาติก่อนๆเราก็เก็บเก็บเก็บว่าเราทำเราทาเราทราทนี่แหละพอเราทำมันก็เลยส่งผลให้เรามาเกิด เราเรายึดยึดเอาไว้ว่าเราทํากรรมดีบ้างกรรมไม่ดีบ้างมันก็มาปรุงแต่งวิญญาณของเรากรรมเนี่ยมันมาเก็บไว้ในภวังเข้าวิญญาณปรุงแต่งวิญญาณจากนั้นมาสร้างรูปนามขึ้นมาเพื่อจะใช้กรรมเหล่านั้นมันก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาแล้วเวลามันจะรับผลกรรมไอตัววิญญาณอะวิญญาณหกอะเวลากระทบต้องระวังเวลามันกระทบเนี่ยมันนั่นแหะมันจะให้ผลกรรมมันให้ผลตอนนั้นกระทบปับ๊บ ตึกขึ้นไปที่จิตของเรานั่นแหละ ว, วิบากวิบากเกิดแล้วผลของกรรมจากนั้นมันจะปรุงแต่งต่อไปถ้าหาว่าเราไม่ทันปรุงแต่งต่อไปถ้าไม่ทันมันก็อยากทําอย่างนั้นทําอย่างนี้โอ้ยเรื่องราวมากมายเลยสร้างกรรมใหม่อีกแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดนี่แหละพระเจ้าเห็นในจิตของพระ อ, องค์อ่ะโคลทบทวนธรรมะอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็เรื่องของจิตของเราเองนี่แหละที่เรามาปฏิบตัติเรื่องมาปฏิบัติจิตของเราเพื่อให้รู้เท่าทันการทํางานภายในจิตของเรา มาให้จริงเรามันเป็นหลงหลงแล้วก็อยากทําให้ตัวเองมีความสุขอยากให้ตัวเองมีความสุขก็มีอุปทานยึดเอาไว้อยากทําตามอํานาจของตัณหามีสิ่งที่พระเจ้ารัสรู้ก็คือเรื่องจิตนั่นเองที่พูดนี่คือเราเราพูดสั้นๆพูดง่ายๆรวบลัดก็คือเรื่องของจิตนี่แหละถ้าเราปฏิบัติจิตเราจะไม่สงสัยเลยธรรมะของมุติเจ้าเนี่ยมันก็เป็นขบวนการในจิตของเราเนี่ยมีอุปทานมันก็อยากทําตามอำนาจของตัณหาเนีย่ยอุปทาน ก็สร้างภพเป็นกรรมขึ้นมาใหม่กรรมมาภพเนี่แล้วก็เวียนว่ายตายเกิดเกิดเป็นชาติขึ้นมาเกิดในจิตก่อนเกิดเป็นเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นในจิตพอเราตายไปก็ไปเกิดเพราะนั้นเราอยากรู้ว่าเราจะไปเกิดที่ไหนดูจิตเราได้แต่ละวันแต่ละวันจิตเราเป็นยังไงแต่จิตเรามีความทุกข์มากนั้นแนหะมันไปไปที่เป็นทุกข์แน่นอนแล้วแต่จิงเรามันเลื่อนลอยอย่อยางเงี้ยจิงเรารุ่มร้อนเอา้สาสัตว์นรกก็ได้พูดง่ายๆเลยนะ จิตมันเมาล อ, อยมันขาดสติขาดปัญญาอย่างเี้เนี่ยสัตว์ดิลฉานแล้วจิตของเรามันโลภมากๆเกินความจำเป็นนี่ไงพวกเปรตแล้วเนี่ยถ้ามันมีปัญญาว่าเออเอาให้มีชีวิตอยู่นี่ละได้มากได้น้อยก็ไม่เป็นไรอะ่ะบุญเก่าของเรามีเราสามารถสาวแหวงหาได้เราเอามาทำให้เรามีความสุขครอบครัวเรามีความสุข แต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ก็คือนี่แหละเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อออกจากทุกข์นี่บริบูรณ์สมบูรณ์เลยคือรู้ทั้งโลกทั้งธรรมะเมื่อชีวิตก็ดําเนินไปได้ด้วยแล้วจิตใจก็จเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระพุทธเจ้าขึ้นมามีทางออกแล้ว แต่ถ้าหาว่าเรายังรู้สึกว่าเออมันพอใจที่อยากอยากเวียนเกิดเวียนตายอยู่มันยังอะไรอาวรลูกเต่าหลานเหรนสามีภรรยาพ่อแม่พี่น้องอะไรอยู่ยุงย่งยุ่งลุงลงุลงลังๆอยู่อันนี้มันยังต้องการที่จะไปหาพบอยู่มันต้องการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แสดงว่ามันยังไม่เข้าใจความจริงถ้าใครรู้สึกว่าออมันออกมาจากใจเราว่าเฮไม่ยังไม่อยากเอาแล้ว แต่ก่อนก็มีแต่คิดว่าอันนั้นจะทำให้เรามีความสุขได้นั่นได้นี่มีความสุขอ่ะพอเข้าจริงๆมันมันไม่สุขจริงอ่ะเนี่ยมันเห็นอย่างนั้นมันก็อยากจะหาทางออกถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าออจิตของเราเนี่ยมันเข้าใจแล้วต่อไปมันก็จะมีทางออกแนละ้วเพราะการที่จะมีเครื่องวัดก็คือมาดูว่าเวลาเราดบเนินชีวิตมันถูกต้องไหมเนะี่ยมันต้องมีเครื่องวัดด้วยนะ การดําเนินชีวิตก็ต้องถูกต้องมันสอดคล้องกันภายในภายนอกภายในมีธรรมะเห็นความจริงปล่อยวางได้ไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนความลุ่มหลงตัวเราความรักความหวงใยตัวเราเกินความพอดีมันก็จะไม่มีขึ้นมาเพราะฉะกิริยาการภายนอกการกระทําภายนอกมันก็ไม่ประดิษฐ์ประดอยอะไรมากมายอะ่ะเพราะว่ามันก็สงบระงับอยู่ะมันก็ดําเนินไปตามความเหมาะสมอะ่ะเพราะว่าอะไรที่มัน ไม่มทําให้ดับทุกข์ภายใ น, ในใจิตใจเราได้มันจะไม่ค่อยอยากจะไปอะไรมากมายก็เอาแค่ว่าเรายังมีชีวิตอยู่ในโลกเรายังเกี่ยวข้องกับธรรมชาติแวดล้อมเราอยู่ก็เอาความพอดีตามความเหมาะสมอ่ะตามเหตุการณ์ว่าทํำยังไงมันไม่มีทุกข์ทุกข์มันลดลงไปเนี่ยก็จะเอาหาความพอดีการดําเนินชีวิตเนี่ยเนี่ยมันจึงมามาเรื่องการดําเนินชีวิตมันสําคัญมากการเกี่ยวข้อง ซึ่งกันและกันเนี่ยต้องมีเมตตากรุณามุทิตาเบกขานี่มันจะมีหลักธรรมของเจ้ากำกับเอาไว้หมดเลยอยู่ร่วมกันก็แบ่งปันให้ทานคำพูดก็พูดอ่อนโยนมีเหตุมีผลเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นมามีอะไรก็ช่วยเหลือกันสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอสมสมปลายสุขโดยกันทุกข์โดยกันเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องวัดว่าเรามีธรรมะเหมือนกลุ่มเราเนี่ย ถ้าเราเอาธรรมะเข้าไปจับเนี่ยการอยู่ร่วมกันมันเป็นยังไงระมัดระวังเราเองก็ต้องระมัดรวังคนอื่นด้วยเห็นใจตัวเองก็เห็นใจคนอื่นด้วยนี่มันจะเข้ามาอยู่ที่นี่เลยเนี่ยตัวเองก็พยายามมีสติรักษาจิตไว้ให้จิตเนี่ยอยู่ภายในนี้เกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ไม่คิดเบียดเบียนใครตั้งความเมตตาเอาไว้ปรารถนาดีเอาไว้นี่อันนี้ภายในจิตี ส่วนการแสดงออกทําอะไรก็ต้องมันก็ต้องคิดถึงคนอื่นด้วยแบ่งมีการแบ่งปันมีอะไรพอที่จะแบ่งปันกันได้เรานั่งตรงนี้คนอื่นมาเข้านั่งยังไงเนี่ยนี่แค่นี้มันจิตมันก็จะกว้างขวางออกไปละมองดูตัวเองก็มองดูคนอื่นไปด้วยเนี่ยมันจะกว้างขวางขึ้นในจิตใจเนี่ ย, ยคำพูดคาจาเนี่ยมันก็ระวังเพราะว่ามันไม่อยากมีทุกข์เราไม่อยากมีทุกข์เราก็อยากฟังเสียงที่ไพเราะเสียงที่มีเหตุผลฟังแล้วจิตใจเราดีขึ้น จิตใจเราสงบหรือว่าเราได้สุภาษิตได้อะไรเป็นคติเอามาสอนจิตเราได้คนนื่นก็จะเหมือนกันเนี่ยเนี่ยคาพูดคําจาต้องระวังเนีเดี๋ยวมันไปกระทบกระเทือนกันกระทบกระเทือนจิตใจมันก็ไปทําลายไอธรรมะภายในจิตได้มันทําให้เกิดการเนิ่นช้าและเป็นกรรมด้วยเนี่ยกรรมมันเกิดง่ายๆอย่างนี้นะถ้าเราไม่รู้เราไม่ระวังตัวเองเไปทํากรรมง่ายๆแล้วก็นี่แหละมันก็ทําให้เราเนี่ยมีทุกข์ มีปัญหามีความเดือดร้อนยิ่งปฏิบัติธรรมเนี่ยโอ้โหสิ่งไม่ดีมันค่อยผุดขึ้นผุดขึ้นนะแล้วเวลาจิตมันยิ่งมันอยู่ในภวังเนี่ยมันไปเอาเรื่องภพชาติไหนๆเข้ามาก็ได้ด้วยบางทีไม่ไม่มีในโลกเรามันก็เอามาได้เพราะอะไรอะ่ะเพราะว่านี่แหละไอ้ตัวจิตเนี่ยในภวังเนี่ยมันเอาเรื่องราวกรรมเก่าขึ้นมาบางทีก็มาเล่นงานเราก็มีอย่างบางทีคนหลับไปเนี่ยฝันไลยๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีด้วยอำนาจของกรรมเก่าก็มีด้วย ก็เล่นงานเราได้เดี๋ยวก้องกันสุขด้วยกันทุกขด้วยกันอย่างเงี้ยมันเนี่ยนี่มันเป็นเรื่องของหลักธรรมของพระเจ้าว่าเอามาพิสูจน์ดูในครอบครัว ก, ก็เหมือนกันในองค์กรต่างๆก็เหมือนกันเนี่ยถ้าว่าเอาหลักธรรมของพระเจ้ามาประยุกใช้มันก็จะมีความสุขภายในองค์กรนั้นๆแต่ที่สําคัญก็คือจิตของเราเองนะความสําคัญคือจิตของเราเอง เอาต่อไปนี้เราจะให้ปฏิบัติด้วยตัวเองแล้วนะทีนี้นะจะให้ได้ปฏิบัติบูชาเราจะปฏิบัติอีกสักประมาณ15นาทีนะเอาต่อไปนี้ให้เราได้สํานวจจิตใจนะเอาจิตของเรากลับเข้ามานะบูชาพระพุทธเจ้าเลยนะนี่เป็นการบูชาที่สูงที่สุดเลยและเป็นการตอบแทนคุณผู้มีพระคุณเลย ใครมีคุณมากคุณน้อยเนี่ยการบูชาคุณจริงๆก็คือตรงนี้เลยนะเพราะตรงนี้ประเสริฐที่สุดมีคุณมากที่สุดเลยเนี่ยจิตที่สงบเนี่ยมีคุณมากที่สุดเลยยิ่งจิตที่สงบแล้วมีปัญญาเห็นความจริงมองดูตัวเองแล้วก็เออเหมือนอะไรนั่งอยู่หรือว่าเหมือนกับร่างกายของเราเนี่ยมันก็สักแต่ว่ากายอย่างเงี้ยวทนาก็อยู่ข้างมันไปอยู่ที่ร่างกายมไม่ใช่เราอย่างนี้ยิ่งตอบแทนคุณสูงสุดเลย เพราะมันเป็นสิ่งประเสริฐมันเป็นความจริงเพราะคนมันลุ่มหลงมากสัตว์โลกทั้งหลายลุ่มหลงมากยึดติดข้องมากพระพุทธเจ้าท่านจึงจ้องโอ้โหสร้างบา ร, รมียาวนานมากกว่าที่จะตัดรู้ความจริงอันเนี้ยนี้เราเป็นสาวกเราก็เดินตามพระพุทธเจ้าไปสิ่งนี้มันมีคุณมากที่สุดเพราะฉะนั้นการตอบแทนคุณของสัตว์โลกของชาวโลกหรือว่าของสิ่งที่มีพราะคุณแก่เราเนี่ยคือเอาจิตสงบให้ทําจิตตัวเองให้สงบนี่แหละ ยิ่งถ้าใครจิตดับได้นะมันปล่อยวางได้เอาสลัดสิ่งไม่ดีเอาไปได้ทีละจุดทีละจุดทีละเปาะทีละเปาะเนี่ยมันยิ่งเห็นคุณของธรรมะขึ้นมาเห็นรู้เลยว่าธรรมะมีคุณมากที่สุดมีคุณที่สูงที่สุดแล้วมันก็มาสถิตอยู่ในจิตของเราเข้ามาอยู่ในจิตใจของเราเพราะเวลาเราปฏิบัติเราจึงปล่อยวางเหมือนไม่เอาอะไรเลยเหมือนไม่เอาอะไรเลยยิ่งมันเห็นจิตเนี่ยเกิดดับ เดี๋ยวความคิดมาเกิดกระดับหรือจิตมันไหวตัวยังไงมันขยับยังไงเห็นกายเห็นจิตมันเกิดระดับเห็นภาวะเกิดดับเกิดดับอยู่ในตัวเราเนี่ยแล้วยานมันแสดงออกมาด้วยมันก็แปลกนะอริยามรรคเนี่ยมันก็จะแสดงปรากฏการบางอย่างเกิดขึ้นเหมือนทําให้เรารู้ว่าทุกสัรพสิ่งอะเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับอยู่งั้นอะมันทําให้เรามองเห็นว่าชีวิตขันห้าเนี่ยมันเป็นกระแสของความเกิดดับเท่านั้นเอง นี้มันจะต้องแจ้งชัดขนาดนี้เลยนะในความรู้สึกของเราเนี่มันเหมือนกับโอ้ยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นแค่กระแสความเกิดดับเท่านั้นเองมันมองเห็นอยู่ในจิตเรานี่ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บมันเหมือนอะไรบอกไม่ถูกแต่มันรู้สึกว่ามีแต่เกิดดับมีแต่เกิดดับไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าพอมองเข้ามาหาชีวิตเนี่ยมันก็เลยเป็นกระแสความเกิดดับเท่านั้นเองแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยมันก็เลยวางวางวางวางสุดท้ายไม่เอาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ววางปล่อยเิ้ง สุดท้ายมันทิ้งเองทิ้งไม่เอาเลย เ, เรื่องราวข้างนอกอไร้สาระสิ้นเชิงเลยเ ร, เรื่องคนนั้นเรื่องคนนี้คนพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ไร้สาระหยาบมากไม่เอาเลยเพราะว่าในจิตของเรานี่โอ้โหมันยังมีสิ่งละเอียดที่จิตจะต้องเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเข้าไปแจ้งเข้าไปชัดเห็นกระแสชีวิตกระแสของขันห้าว่ามันเกิดดับเป็นอย่างนี้เองสังสารวัตรคืออย่างนี้เองหมายว่ามันเกิดดับเกิดดับแต่เราไม่รู้มันไม่รู้มันว่ากระแสชีวิตมันแค่ของเกิดดับเกิดดับเกิดดับเราเลยยึดมันเลยหลงมัน งมงายกายงมงายจิตยั่งเงี้ยเวียนเกิดเวียนตายอย่างนี่พอพอแล้วววพอแล้วววไม่เอาแล้วววหยุดหยุดหยุดหยุดนะจิตมันก็จะโอ้โหมันกระทิ้งเข้ามันไปมันไม่เอาคอยมันเห็นเถอะเห็นเถอะโอ้โหมันถึงใจนะโอ้มันหลงมานานแค่ไหนอ่ะมันจะมืดขนาดไหนหลงมาขนาดไหนมันเห็นแล้วก็วางได้ปล่อยได้ทิ้งได้ ถ้าเห็นอย่างนี้แล้วมันจะมีอะไรเราประเสริฐเท่ากับไอ้สิ่งนี้ยมันเป็นความจริงที่มันเป็นความลึกลับที่เราหลงเท่านั้นเองอ่ะไปยึดมันอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็สร้างเรื่องสร้างเราวสร้างกรรมสร้างเวนเวียนไหวตายเกิดแล้วก็อยู่ภายใต้ยอำนาจของกรรมกรร ม, ก, รรมก็บีบบีคั้นอยู่เงี้ยครานี้ออกจากกรรมออกจากกรรมดูมันเลยเห็นมันเลยเกรริดแล้วก็ดับไปเดินแล้วก็ดับไปนี่แหละกรรมมันจะให้ผลละเราใช้กรรมไปลลมล <t> แล้วเกิดแล้วดับอะไรมาเกิดแล้วก็ดับ เราก็อยู่เหนือกรรมได้เห็นชีวิตเป็นแค่กระแสะความเกิดดับไม่มีอะไรวั อ, อย่าไปเสียเวลาเอานู่นเอานี่มาลุงลังอยู่ในจิตอีกต่อไปทิ้งทิ้งปล่อยนี่แหละปล่อยทิ้งของไม่ดีทิ้งของที่มันไร้สาละนี่เท่ากับบูชาผู้เยาสูงสุดเลยจาฆ่จาฆ่จาจา่าค่าคือทิ้งบริจาคทิ้งไม่เอา นี่สูงสุดคือบริจาคสิ่งที่ไม่ดีทิ้งสิ่งที่ไม่ดีบริจาคข้าวของเงินทองเครื่องใช้ไม้ยอยอันนั้นเหรอเล็กน้อยเล็กน้อยเป็นของภายนอกของภายในนี่ภายในจิตเรานี<อ>ทิ้งของไม่ดีทิ้งของไม่ดีทิ้งความรุ่มหลงด้วยให้มันเห็นความจริงแล้วปล่อยปล่อยปล่อยนิรจาคะเดียวสลัดออกปฏินิสระสลัดออกสลัดออกได้ก็วิลาคะวิลาคะ สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีอะไรย้อมจิตย้อมใจเราได้อีกต่อไปปราศจากราคะปราศจากความทุกข์ทั้งปวงคือไม่เอาจิตก็คือไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรไม่หลงอะไรไม่ยึดอะไรไม่ติดอะไรกายก็รู้อยู่แล้วของเกิดของดับสุดท้ายมันต้องแตกดับสลายไปเราหวงหวงใหญ่ขนาดไหนมุกสุดท้ายก็ตายจริงจิตใจเป็นนมานมธรรมเฉยๆนามธรรมใครเคยเห็นจิตเป็นรูปเป็นร่างอะไรบ้างก็แค่เห็นอาการของมันเฉยๆอะ เห็นอาการมันเฉยๆแค่เห็นว่ามันมันมีอยู่แต่ว่าพอเราเข้าไปถึงจริงๆแล้วก็มันก็เป็นธรรมชาติเนี่ยมันก็จบตรงนั้นเลยมันแค่คื อ, ค อ, คอธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นเองมันก็เลยเป็นแค่ฝ่ายรูปฝ่ายนามรูปธรรมานามธรรมาโอ้ชีวิตนี้เป็นแค่กระแสความเกิดดับเท่านั้นเองเราไม่รู้ความจริงตรงนี้เราก็เลยหลงเวียนว่ายตายเกิดแล้วเกิดอีกเกิดมาแล้วก็ทํากรรมทํากรรมแล้วกรรมก็คอยบีบคั้นก็เลยเป็นทุกข์ รู้ความจริงคือออกจากกรรมออกจากกรรมไม่ยึดไม่ติดไม่คล้องอันเดียวกันหมดเลยพ้นทุกข์แล้วก็ถึงพระนิพพานเนี่ยนี่แหละพระเจ้าตรัสรู้ก็พ้นทุกทุกดับไปจากภัยของพระองค์ก็ถึงพระนิพพานก็ตรงนี้แหละตรงนี้เลยคราวนี้เราสุดท้ายละเราลองวางใจใหม่เปลี่ยนใจใหม่ไม่เอาอะไรไม่เอาอะไรทิ้งปล่อยหมดทิ้งหมดนี่แหะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการทําเหมือนกับไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเรา ไม่มีอะไรเลยที่จะเป็นเราเป็นของเราได้ถึงเรายึดขนาดไหนร่างกายก็ตายถามว่าตายไหมตายไหมตายร่างกายนี้ต้องแตกดับสลายไปแน่นอนจิตแล้วเกิดดับไหมความคิดนี่เกิดดับไหมก็เกิดดับอีกอความรู้สึกสุขทุกข์อะไรเกิดดับไหมเปลี่ยนแปลงไปได้ไมันก็เปลี่ยนแปลงอีกเกิดดับอีกอ้าวแล้วจะยึดอะไระมันจะยึดอะไรได้อีกอมันไม่เห็นมีอะไรที่ต้องยึด ความจุดความจำแล้วก็เป็นแค่สัญญามันก็โผลมาเป็นระยะระยะเป็นบางเวลาก็ไม่อยู่กับเราตลอดไปแล้วก็มีสติสิรู้ทันมันดิมันมาเดี๋ยวมันก็ดับให้เห็นมาแล้วก็ดับให้เห็นสุดท้ายมันก็โอ้ไม่เอาแล้วมันก็วางไปอีกที่ไม่วางเพราะเรายังไม่เห็นยังไม่รู้ความจริงจิตเราก็เลยเป็นหลงไปยึดไปติดไปขล้องก็เลยต้องมาฝึกจิตอยู่นิดเลียนตัวนะเลียนตัวนะ เ, วนะเดี๋ยวเราจะอยู่แล้วนะ ลองทำจิตให้แนวแน่นิ่งอยู่ภายในนะเนี่ยเสียงธรรมชาติเสียงสวดมนต์ก็เป็นธรรมชาติส่วนจิตของเราอยู่ภายในจิตก็อยู่ภายในภายนอกมีเสียงสวดมนต์เป็นแบ็กกราวน์มันมีความรู้สึกว่าคนที่เขามาเขาก็มุ่งมาหาบุญหากุศสนะคุณงามความดีกันทั้งหมดเลยนะมาแสวงหา สิ่งที่ดีงามสําหรับชีวิตของเขาถ้าใครเข้าใจลึกซึ้งก็เข้ามาหาจิตตัวเองเข้ามาหาจิตของตัวเองแทนที่จะไปแสวงหาภายนอกมันอยู่ข้างนอกแสวงหาเท่าไหร่มันก็ไม่เจอเพราะความจริงมันอยู่ภายในนี้คือตัวจิตเราเองนั่นแหละสุขก็อยู่ที่จิตทุกข์ก็อยู่ที่จิตความจริงก็จิตเรามันรู้มันรู้ขึ้นมาพัเราจะให้จิตวิ่งไปตายออกไปวิ่งโน่นวิ่งนี่ตะเลิดเปิดเปิงอยู่งั้นมันไม่ใช่อ่ะแล้วมันหลงมันหลงเขาไม่รู้ว่าหลง ก็แสวงหากันอุตรลุบไปเลยทียนี้ถ้าจิตของเรากลับเข้ามากลับเข้ามาอ้าวๆ้าวผู้เจ้านี่แสวงหาจิตของพระองค์ก่อนแล้วก็มาฝึกจิตฝึกจิตก็ฝึกจิตให้รู้ความจรงิงสุดท้ายจิตก็ปล่อยปล่อยออกปล่อยออกปล่อยออกสุดท้ายวางไม่กระทั่งตัวเองมีสุดท้ายวางจิตจิตต้องคายออกจากตัวเองด้วยไม่ยึดอะไรเลยไม่เอาอะไรเลยรู้เหมือนไม่รู้นั่นทีนี้มันจะมามารู้ความจริงก็คือจิตไม่ยึดอะไรมันจึงรู้เหมือนไม่รู้ เดี๋ยวว่าไม่รู้ก็รู้อยู่ว่ามันรู้เป็นมันทุกอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนแล้วมันจะเข้าใจชีวิตเข้าใจชีวิตตัวเองก็เข้าใจชีวิตคนอื่นภายนอกเป็นยังไงมันก็มองดูมันก็เข้าใจอ๋อธรรมชาติมัก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเองส่วนภายในเนี่ยมันก็อยู่ความจริงไปอยู่ความจริงไปเพราะฉะนั้นจิตของเรามันสงบเป็นสมาธิมันก็อยู่ความจริงระดับหนึง่งอย่างน้อยก็อยู่กับตัวเองได้บ้าง ไม่ให้จิตเราทะเลทลายออกไปวุ่นวายข้างนอกแค่นี้มันก็สุขพอสมควรแล้วเยาว่าเนกข ม, มาสุขสมาธิ ส, สุขหรือมีปัญญายาณเกิดขึ้นปล่อยวางได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่ก็ทุกน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนี่ยจนกระทั่งทําหมดทุกเมื่อไหร่เนี่ยเระบุลมมาสุขก็คือไม่มีทุกข์อีกต่อไปแล้วความสุขที่แท้จริงก็คือตรงที่ไม่มีทุกข์นั่นเองเราก็พบถึงจุดหมายปลายทางของชีวิต อา้าวทีนี้รวบรวมบุญนะที่นี่นะเราจะอุทิศบุญแล้วล่ะเวลานับความดีแล้วต้องทิศบุญออกไปบุญนี่มันทำให้จิตเรากว้างขวางไปที่ไหนเราจะรู้สึกได้ว่าเอาออานาจของบุญนั้นมีอยู่จริงมันมีคุณจริงผู้ที่ต้องการบุญก็มีจริงด้วย